พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทำไมต้องมีมูลนิธิอภิบาลสงฆ์วันนี้เป็นวันที่29 มีนาคมพุทธศักราช 2,557 วันนี้ก็ได้รับข่าวที่พวกเราได้ขอตั้งมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดอรที่พวกเราได้ขอได้ไปชมหาหรือกันก็ ทราบว่าตกมาเร็วมากขอมูลนิธิไม่ถึงสองสามอาทิตย์มูลนิธิออกมาแล้วเมื่อวานออกมาวันที่ยี่สิบแปดมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานี ไอ้ก็บอกเมื่อพระสงฆ์อาพาธก็ดีชีก็ดีที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มูลนิธิคุ้มครองแต่เร็วมากแต่ตามไม่จริงขอเขาข อ, ขอกอันเป็นปีนะแต่นี้ท่านนายอำเภอนิคมท่านเป็นปลัดจังหวัดท่านนั่มทำหน้าที่ปลัดจังหวัดคือหน้าที่เป็นแม่บ้านเลยนั่นก็ชง เรื่องเข้าไปทางกระทรวงจากด้านท่านก็ติดตามทางกระทรวงเพราะว่ากฎระเบียบของเราเอกสารของเราพร้อมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยเพราะว่าดูแลพระสงฆ์อาพาธแล้วก็อ้างอิงถึงหลวงตาด้วยใครก็รู้จักกันทั่วประเทศ เพราะนั้นขออนุญาตยังได้ง่ายแต่ทิ้งยังไงเมื่อได้แล้วหลวงพ่อกับคณะก็คงจะดำเนินเอาทุนนิธิเป็นมูลนิธิต่อไปอันดับแรกก็คือเมื่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็คงจะแสดงความจำหนงเอาเงินเข้าไปมูลนิธิตั้งเป็นูลนิธิเป็นก้อนแรกก้อนแรกเนี่ยล้าก็กะไว้ประมาณ นึงล้านบาทเป็นก้อนแรกประเดิมประเดิมหนึ่งล้านบาทแต่เงินหนึ่งล้านบาทนี้เมื่อเข้าไปนี่อยู่ในกองในมูลนิธิแล้วจะถ่ายถอนเอามาใช้ไม่ได้จะต้องเป็นถ้าหาว่ามูลนิธิดำเนินไม่ได้หรือว่าล้มละลายเอ่อหรือว่าหมดผู้จะดำเนินการแปลว่าเงินหนึ่งล้านบาทนี้ก็เป็นของรัฐบาล เป็นของหลวงไปเลยที่เราตั้งเข้าไปหนึ่งล้านบาทแต่จำนวนเอาเข้ามาทีหลังแต่จะมีผู้สมทบเข้ามาจะมากน้อยขนาดไหนทีนี้เป็นหน้าที่ของมูลนิธิจะต้องบริหารดูแลพระสงฆ์หรือว่าความประสงค์เรื่าเราได้ตั้งกฎกติกาไหนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับ อาหารของพระสงฆ์หรือกเกี่ยวกับยุคยาพระสงฆ์หรือว่าเกี่ยวกับ เ, เครื่องอำนวยสะดวกของพระสงฆ์จลตลอดต่อถึงพระสงฆ์ชีมรณภาพลงไปนำศพ ส, สง่งถึงสถานทีอ่อย่างนี้เป็นตน้นการล่วนแล้วแต่ได้ใช้เงินทั้งนั้นอันนี้กองเงินก้อนนี้เราจะดูแลพระสงฆ์และชี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงมรณะภาพที่โรงพยาบาลตลอดค่าอาหารที่ขณะอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ติด ต, ตามผู้ติด ต, ตามตงรู้ว่าพระทรี่ระป่วยองค์หนึ่งมีพระผู้ติด ต, ตามหนึ่งหรือสององค์อันนี้เราก็ต้องให้ถวายอาหารที่พระติดตามด้วย แต่ถ้าว่าไม่มีมูลนิธิมีแตโรงพยาบาลพระผู้ติดตามก็จะต้องออกไปบิณฑบาตแล้วก็ญาติโยมก็ต้องเอาอาหารไปถวายหรือไปฉันอาหารข้างนอกซะก่อนอยังขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีมูลนิธิอย่างมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอันนั้นท่านมี ทั้งชั้นเป็นของพระสงฆ์แล้วก็ทำเป็นห้องพระแล้วก็เป็นทำเป็นสถานที่ฉันจังหันพระผู้ติดตามพระเถระหรือผู้พระผูไปเฝ้าไข้ไปทานฉันอาหารในห้องนั้นซะก่อนจากนั้นก็มีที่ล้างบาทด้วยอันนี้ก็คือมูลนิธิอันนี้ของโรงพยาบาลศูนย์อุดอรของเรานี่ก็ ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้พูดว่าเฉพาะตึกหลงตาตึกโรงพยาบาลตึกหลงตาเราก็ไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นเป็นมูลนิธิของชื่อของหลวงพ่อเนะี่ยแต่หลวงพ่อก็บอกว่าพระสงฆ์ที่เข้ามาป่วยในโรงพยาบาลไม่ว่านิกายไหนไม่ว่าประเทศไหนที่ว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แล้วก็ชีที่มีที่ไปที่มามีสำนักรับรองเจ็บใค้ได้ป่วยเข้ามาก็พร้อมที่จะใช้มูมนิธของเราได้นี่แหละอันนี้ก็คือดูแลพระสงฆ์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าในกายไหนในเมื่อคณะหมอคณะแพทย์ เห็นพ้องต้องการว่าสมควรจะใช้ยูกยามากน้อยแค่ไหนก็นอยู่ในก ฎ, กฎกติกาที่พวกเราได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วนะอันนี้แหละคือวันนี้ก่อนลุงพ่อได้ยินแล้วก็เออเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งที่ว่ามูลนิธิผ่านแล้วไม่นานแต่มูลนิธินี้ทำไม หลวงพ่อจึงไม่ได้ตั้งเป็นมูลนิธิหลวงตามหาบัวยนสัสมปนโนทำไมจึงเอาชื่อของตอนเองขึ้นไปตั้งเป็นมูลนิธิทั้งที่เหมาะสมที่สุดก็คือชื่อหลวงตามหาบัวแต่อย่างหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่โรงพยาบาลศรีนครินอันนั้นก็แต่ก่อนก็เป็นชื่อหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นทุนนิธิไม่ใช่มูลนิธิ ต่างเป็นทุนนิธิกับมูลนิธิในะต่างกันนะมูลทุนนิธิเนี่เป็นวงแคบแต่มูลนิธิเนี่เป็นวงเข้าทางกฎหมายเดินเรื่องทางกฎหมายแหละมูลนิธิเนะี่ยเพราะนั้นของหลวงปู่มั่นเราก็คิดว่าเอาหลวงปู่มั่นเป็นประธานเป็นหลักครูบาอาจารย์ทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกสาย ไม่ว่าลูกศิษย์หลวงปูเทศหลวงปูอ่อนหลวงปูฟั่นหลวงปูเขาหลวงปูแหวนหลวงปูชาหลวงปูล่าหลวงตามหาบัวหลวงปูไหนไหนอยู่ในเป็นลูกศิษย์หลวงปูมั่นก็พร้อมที่จะเข้าไปรับรักษาควรจะยกหลวงปูมั่นเป็นหลักหลวงพ่อก็เลยตั้งขอทาง หินหมักเปงทางหินผู้เป่งก็ไม่คัดข้องเพราะทางคนก็ต่างเคารพหลวงปู่มั่นอยู่แล้วนะก็เลยตั้งหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นผูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นประธานมูลนิธิก็คือหลวงพ่ออินเพราะว่าหลวงพอ่อได้ไปตั้งได้ไปสร้างหอหอในี้ยคล้ายๆว่าเป็นผู้เข้าไปตกแต่ง แล้หาเครื่องมือให้ครบเบื้องต้นหมดไปเกือบ15เกือบ15ล้านบาทนะลูกล้านนะครั้งแรกแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเงินมูลนิธิเข้ามาพอสมควรที่จะดูแลพระสงฆ์ได้แต่จะได้มาถึงของหลวงตาทำไมไม่ตั้งชื่อว่าโรมูลนิธิหลวงตามหาบัวหลวงพ่อเองก็ได้ให้คณะแพทย์โรงพยาบาลอุดรไป พูดทาบทามเพราะว่ากฎหมายมันมีกฎหมายออกมาว่าถ้าจะใช้ชื่อหรือนามสกุลใดก็าตามต้องไปหาตระกูลหรือไปหาบงาา่งสาคาญาตาตยังมีชีวิตอยู่ญาติผู้ใหญ่เขาอนุญาตซะก่อนจึงจะเอาชื่อหรือเอานามสกุลมาตั้งเป็นมูนิี่ได้ทีนี้พวกแพทย์เขาก็ไปหา คุณแม่จันดีพวกญาติขององค์หลวงตาท่านก็ไม่ได้ไม่รู้จักตื่นลึกหนาบางในเรื่องนี้ท่านก็เออเราก็ยังไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงไม่ควรจะเอาชื่อของหลวงตาเถอนะเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจถ้าเอาชื่อหลวงตาไปแล้วนามสกุลไปแล้วเนี่ยไปตั้งเป็นมูลนิธิเดี็กออกไปเรียอะไรไปขอไปแผไปขอจะทาให้ ชื่อเสียงขององค์หลวงตาหรือตระกูลเสียหายท่านก็เลยไม่อนุญาตนะอันนี้คือเหตุผลของท่านก็น่าฟังอีกในมุมหนึ่งในเมื่อขออนุญาตไม่ได้จะทำยังไงก็มาปรึกษาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไปตึกสร้างตึกหนีไฟตึกจอดรถข้างตึกหลวงตาหลวงพอ่ออืมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะหลวงพอ่อออกชื่อหลวงพ่อเลยก็ได้นะเพราะหลวงพ่อเห็นเห็น มองมองเห็นเห็น ร, รู้รู้กันอยู่เหมือพ่อว่าวหลวงพ่อเองจะเป็นเป็นประธานชั่วงข่าวอยู่แล้วต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อเขาคงจะมูลนิธิเดินได้เดินหน้าได้หลวงพ่อเขาคงจะถอยหลังอย่างมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันเป็นครั้งแรกสปีหลวงพ่อก็จะถอยละจะให้คนอื่นเป็น แต่ทางคณะกรรมการขอข อ, อีกสักรอบอีเท่าน้องพ่อเนะี่ยหลวงพ่อเอเอาขออีกสักรอบหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปเป็นมาได้สองปีนะนะรอบที่สองนี้นะรอบที่สองสองปีละอีกสองปีก็คงจะครบเดียวหลวงพ่อก็คงจะได้ออกจากประธานจุดนั้นแต่ของหลวงตาก็เหมือนกันหลวงพ่อก็คง เมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปดูแลจัดการบริหารให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้เข้าเรื่องเข้าราวให้เป็นบริหารอย่างไรคณะกรรมการเดินอย่างไงผู้ใช้งานทําอย่างไรถ้าเดินที่ได้แล้วนหลวงพ่ออาจจะล า, ลาออกก็ได้พอหลวงพ่อแก่ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่จะหนุ่มไปข้างหน้าหลวงพ่อเออเอาในเมื่อ ญาติขององค์หลวงตาท่านปฏิเสธอย่างนั้นเอาชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันนะหลวงพ่อให้ใช้ชื่อหลวงพอ่อนามสกุลนามฉายาของหลวงพ่อเลยก็เลยตั้งชื่อว่ามูลนิธิพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเพื่อดูแลพระสองฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรศูนย์อุดรธานเีเนี่ยอันนี้ก็คือความเป็นมาแต่หลวงพ่อยังสำทับเขาอีกว่า ว่าต่อไปภายภาคหน้ามูลนิธิของเราทําประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ต่อคณะสัตยาญาติโยมเป็นที่ยอมรับของคนของคณะสงฆ์แล้วถ้าหาว่าจะเอาชื่อหลวงตามาทีนึงพอหลวงตามองเห็นเออไม่เป็นพิษเป็นภัยคณะสงฆ์ก็เออมองแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยออไม่มีอะไรก็เอาชื่อหลวงตามามูลนิธิ หลวงตามหาบยญนะสัมปันโนดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลวงพ่อเองก็พร้อมลงบอกคณะกรรมการล่วงหน้าไนแล้วว่ามูลนิธิของเราเมื่อมูลนิธิหลวงตาขึ้นมามูลนิธิของเราก็ควรจะไปพูดเจรจาหรือว่าไปพูดกันเมื่อตกลงกันได้ มูลนิธิของเราพร้อมที่จะยบมูลนิธิของหลวงพ่ออินเข้าไปเป็นมูลนิธิของหลวงตาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องใช้ชื่อของหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อไม่ต้องการชื่อต้องการเสียงอะไรหรอกเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นที่พอใจของหลวงพ่ อ, อย่างมากหลวงพ่อเองไม่ต้องการชื่อเสียงหน้าตาอะไรหรอก เพราะว่าที่ทําไปนี่ก็เพราะว่าขอยังไม่ได้ทางทางนู้นไม่อนุญาตก็ว่ายัางไม่รู้จักทิศทางของมูนิธิจะเดินไปในทางไหนพอตั้งมูนิธิขึ้นมาแล้วก็เรี่ยร้ายทั่วบ้านทั่วเมืองจนเดือดร้อนไปทุกหัวและแหงนะฮะคันก็คงจะกลัวอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเนี่เข้าไปนะก็คงจะเขาจะเดินยังไงเขาจะทํายังไงหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังมีสติอยู่ ยังมีลูกน้องบริวารอยู่ก็คงจะมาให้เป็นสิ่งไหนที่จะออกนอกลูกนอกทางผิดหลักพระธรรมวินัยผิดขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็คงจะไม่ให้เดินเดินตามกรอบถึงจะทุกยากลําบากยากจนอย่างไรก็จะให้เดินตามหลักพระธรรมวินัยนี่หลวงพ่อคิดไว้จะให้เดินตามแนวแถวนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเห็นคุณค่าในการ เก็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดแล้วพูดอีกว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ปีนี้เนี่ยมีพระสงฆ์อาพาธพระเทวะป่วยต้จะต้องใช้เงินดูแลด้วยเคมีบําบัดแต่ราคามันแพงเข็มละแสนจะต้องใช้แปดเข็มเขาก็ขอมาประธานมาหาประธานมูลนิธิหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่น ท่านประธานจะอนุมัติไหมหลวงพ่ อ, อครูบาอาจารย์ไม่ใช่ราคาเป็นแสนนะคิดคุณค่าหาประมาณไม่ได้แต่และองค์ เ, เงินเพียงแค่นี้เราจะเสียดายได้ยังไงเอาได้แต่ถึงยังไงก็เถอมีคอแมนน้อยนึงจะโอนให้ก่อนครั้งแรกเนี่ยเพื่อค้ำไว้ก่อนต้องการใช้เงินแปดแสนแต่เราค้ำไว้ก่อนมูลนิธิค้ำไว้ก่อนห0 0 0 อีกสามแสนนั้นถ้าว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านรู้ข่าวเข้าเขาคงจะทุ่มเทออกมาแต่ถ้ายังไม่ทุ่มเทออกมาแล้วก็บอกมาเอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะโอนอีกสามแสนก็เป็นแปดแสนเข็มละแสนไม่มีปัญหานี่แหละสรุปแล้วก็คือมูลนิธิมีประโยชน์ในเมื่อข่าวคับขันหรือข่าวจาเป็น ครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ปว่วยจะต้องได้ใช้เงินเราก็จะต้องเอาเงินก่อนนี้ออกไปค้าไว้ก่อนในเมื่อค้าไว้แล้วนะต่อไปก็หาลูกศิษย์ลูกหาช่วยๆกันสมทบกันเพื่อดูแลธาตุกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าว่าเจ็บไข้ได้ปว่วยจะต้องได้ใช้เงินล้านนะจะได้ใช้เงินล้านครับแต่ถ้าแต่เงินล้านหาย ท่านพาเทระเนี่ยเป็นโลกเนแต่ไปถึงไปข อ, ขอใครละเงินล้าน ไ, นไปขอใครก็ใครเกิดสะดุ้งทั้งหมดแต่ถ้ามาขอมูลนิธิมูลนิธิก็บอกว่าเงินที่เราเอาหามาได้เนี่ยเป็นมูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์ถ้าเมื่อพระสงฆ์ตายแล้วหมดตายพระสงฆ์ตายหมดไปแล้วมูลนิธิจะเกิดจะมีประโยชน์อะไระเราต้องคิดนะ มูลนิธิจะมีประโยชน์อะไรจะรักษาไขา่จะตั้งเอามาไว้เพื่ออะไรเอา้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้หมดถ้าสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์อย่างพระ เ, เกิดโรคภัยไข้เจ็บอหิวาตกโรกตวกทองร่วงอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความจำเป็นมากันเนี่ยเอาออกมาใช้ทั้งหมดเลยจะเก็บไว้ทำไมในเมื่อพระตายหมดแล้วเงินมูลนิธิจะมีประโยชน์อะไร หลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นการที่จะตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อดูแลพระสงฆ์สา ม, มัญณชีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอย่าให้มีความอย่าให้วิตกกังวลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทํำยังไงเนาะอย่าได้คิดอย่างนั้นก็ให้ตั้งขณะที่ยังกําลังแข็งแรงอยู่ก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสิ่งรองรับทางรองรับไม่ได้เลยทำไมไง่ายเกิดมาแก่ตายแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทางนี้ทางนั่นก็เนี่ยเราก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ทนตะ่น่ะไม่ช่วยแต่ช่วยแต่คนอื่นนะ่ะหลวงพ่ออินคือเหมือนกันนั่นแหละกำลังพูดอย่างนี้นนะ่ะจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ลูกหลาน อันนี้จะเข้าเจ็ดสิบแล้วนะวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนี่นะเจ็ดสิบแล้วหกสิบเก้าเต็มเปี้ยะเลจากท้งกระเดินเข้าไปหาเจ็ดสิบแล้วทนนคนดูดูสิคนเจ็ดสิบพวกเราเคยเห็นไหมคนเจ็ดสิบแปดสิบเป็นยังไงออบางคนไม่มีฟันในปากผมขาวทั้งหัวอีกต่างหากออหลังค่อมหนังเหี่ยวออพูดปั๊มปัมเปอร์เปอร์อีกต่างหาก มันมีต่างเยอะแยะไปอายุแปด0บเกปดสิปีนะเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนี่แหละสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเหมือนกันสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์สิ่งไหนจะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์งงนนนออชนต่อลูกต่อหลานต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่เราพอที่เราจะทได้อย่างหลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้แหละหลวงพ่อพูดได้ ก็พูดให้ลูกให้หลานฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เท่าต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อคงจะหยุดพูดเท่นี้มันหยุดโดยอัตโนมัติเพราะมันพูดไม่ได้ฮสมองมันก็สั่งงานช้าหัวใจมันก็เต้นไม่ปกติพูดก็พูดไม่ออกเพราะเหตุไรเพราะว่ามันแกเหมือนกับรถแกนะรถที่มันใช้มาหลายปีจะวิ่งเหมือนรถ ออกมาไม่ใหม่ก็ไม่ได้ละปงเลงปองล้างปองเลงงล้างไปเรนะื่อยปน่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร่างกายนี้มีชลามีพยาธิจะยืนนานไปสักเท่าไรเหมือนกับเกวียนที่เราใช้มานานต้องใช้ไม้ไผ่ชเนะขันเข้าไปผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่ กันแค่ว่าท่านเตือนเตือนพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วเหมือนกับร่างกายของเราเหมือนกับเกวียนที่เราใช้ไปนานๆหลายปีพอหลายปีเข้าไปแต่ใหม่ๆมันก็ดีแะพอนานๆเข้าไปกมันหลวมเลยสดเรื่องโกะกลักโยกซ้ายโยกขวาเละล้ลอมันไม่ไปตามทางเลยนสดงเพราะมันหลวมเพล่ามันหลวมออพลที่สุดก็กงกเกวียนกรำเกวียนก็หักใช่ จะทํำยังไงผลที่สุดก็เนี่ยต้องหาไม้ไผ่มาทาบไว้ขนาบไว้ขันไ ว, ดวนะ้ด้วยเสนะด้วยไหวายเพื่อขนาบคาบค้ำไว้พอประทังไปผลที่สุดก็ถึงจุดจบอีกเหมือนกันเหมือนภาชนะน้อยใหญ่มีแตกสลายในที่สุดไม่มีภาชนะใบไหนที่จะอยู่โช่์ฟ้าดินสลายฮนี่แหละอันนี้ก็คือ ร่างกายของมนุษย์ชาติของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราพวกเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทควรสสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญพูดคำนี้ยืนยันอยู่ตลอดหลวงพ่อยืนยันอยู่ตลอด ต, ตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจใสงบแล้วเราจะรู้ได้ร่างกายกับใจใจกับกายเนี่ยคนละอันกันนะ แต่กายในตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่ใจคือนามธรรมตัวผนะู้รู้รู้น่ะตัวนึกคิดนะ่ะตัวนั้นแหะจะไม่ตายไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทควรจะเอาบุญกุศลเข้าสูตรเข้าสู่ตัวรนะู้รู้นั่นน่ะถ้าตัวรู้รู้นะเป็นบุญเป็นกุศลเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี เออเต็มเปี่ยมด้วยบุญบา ร, รมีนั่นแหละ ต, ตัวรู้รูะจะไปเกิดให้พบภูมิใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกนะแต่ถ้าว่าตัวรู้รู้นะเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาตัวรู้รู้จะต้องพาไปสู่ทุกขติอย่างน้อยไปตกนรกอย่างมากไปตกนรกอย่างนั้นมาเกิดเป็นเปรตอย่างนั้นเป็นเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉัน นานาชนิดเนี่ยนานาชนิดเนี่ยเป็นวิญญาณทั้งหมดที่มาเกิดนั้นพวกเราได้ศึกษาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนให้มีศีลมีธรรมให้นั่งภาวนาพวกเราก็ปฏิบัติตามดูสิจากนั้นเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ ถึงยังไงยังไงถึงข่าวถึงจุดจบแล้วเหรอถึงรักษาไม่หายเราจะทำยังไงตายใช่ไหมเออใช่คุณงามความดีบุญกุศลเรามีเพียงพอหรืออย่างมีพร้อมหรืออย่างในขณะที่เราจะตายเนี่ยถ้าพร้อมล้วเออเอาพร้อมกาไปก็ไปสิวะก็จบเพียงแค่นั้นนะอันละพอในทเนนะอนุโมทนา